เพราะฉะนั้นเราจึงมีอุบายวิธีที่จะเรียกว่าเคล็ดหรืออะไรก็สุดแท้สำหรับทำงานให้ไม่เป็นทุกข์ให้ได้ผลเต็มที่และอันนี้เองเป็นความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมหรือพระพุทธ <c oughs> ประสงค์พระพุทธองค์รัตรู้ขึ้นมาในโลกเพื่อช่วยสัตว์โลก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 เครื่องช่วยความเข้าใจสาหรับท่านทั้งหลายให้ทราบว่าในพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาอิงปัญญานั้นสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาหรือด็อกมดิกซิสเต็มนี้มีไม่ได้ <c oughs> เพราะเป็นเรื่องของาศาสนาที่อิงความเชื่อเกี <c> ่ย <oughs> วกับคำคำนี้เข้าใจได้ง่ายในเมื่ออาตมาจะยกตัวอย่างว่าเมื่อยี่สิบกว่า ป, ปีมาแล้ว <c oughs> พระธรรได้อ่านหนังสือข่าวที่มีผู้สัมภาษณ์ฝรั่งชาวต่างประเทศที่เข้ามาถือพุทธศาสนาเขาถามฝรั่งนั้นว่าทําไมจึงเปลี่ยนจากาศาสนาเดิมมาถือพุทธศาสนาฝรั่งคนนั้นตอบว่าเพราะเบื่อดอกไม้เยอะเต็มทีจึงเลยลาจากพุทธศาสนาลาจากาศาสนาเดิมมาสู่พุทธศาสนา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 ของพินเแล้ ว, ว่ามาติอันนี้ตายตัว <c oughs> แล้วก็ตั้งไววอย่างที่เรียกว่าผูกขาดท่านนึกถึงคำด็อกมาหรือด็อกมติในคำแห่ภาษาพูดธรรมดากันแล้วกันคือการพูดอย่างปิดปากคนอื่นอย่างที่เรียกว่าโอหังเอรอันส์ต คือว่าพูดได้มีอำนาจพูดได้ข้างเดียวคนอื่นพูดด้วยไม่ได้เนี่ยด็อกมาติกที่มันเป็นด็อกมาทางศาสนาก็คืออำนาจของโบสนั้นบัญญัติอะไรไว้ตายตัวแล้วไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นจาริตลัิมีด็อกมานี่มีได้แต่ในศาสนาที่อิงความเชื่อเป็นหลัก เชื่อผู้อื่นจะเป็นถ้าเป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็ต้องคพึ่งผู้อื่นซึ่งจะเป็นพระเป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามมี่ความเห็นของตัวไม่ได้ต้องเห็นตามที่ได้สอนไห้และได้วางไว้เป็นหลักให้เชื่อที่นี้พุทธตาจนาเป็นเรื่องอ ของศาสนาที่อิงปัญญาอิงสติปัญญาของตัวเองอย่างหลักเรื่องการรามสูตรเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องข้ามกันไม่ให้มีสิ่งที่เรียกว่าดอกมาขึ้นมาได้มนศาสนาประเภทที่เป็นศาสนาปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอย่าเชื่อฉันต้องฟังดูว่าพูดอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรเข้าใจมองเห็นแล้ว จึงเชื่อกลายเป็นเชื่อผู้นั้นเอง <c oughs> สาวกของพระองค์เช่นพระสารนบุตรก็ยืนยันกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นในที่เฉพาะประพักพระพุทธเจ้าภาษาทุอย่างยิ่งว่าเป็นการทำที่ถูกศ <c oughs> าสนาที่อิงความเชื่อกับที่อิงปัญญาอ่ต่างกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตว่าง น, นี่อเป็น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 ส่วนข้อที่พุทธบริษัทุบาศกุบาสิกาบางพวกเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่ออะไรแอนตดยไปก่อนโดยไม่มีปัญญานั่นนั่นมันเป็นความจําเป็นของบุคคล น, นั่นไม่ใช่เป็นหลักของพุทธศาสนาเลยแม้แต่ประการใดเขาไม่เข้าใจแต่เขารักที่จะเชื่อเขารักที่จะเกี่ยวข้องด้วยเขาก็เชื่อ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 เรียกกันว่าศาสนาที่อิงความเชื่อความเชื่อของพุทธบริษัทอยู่ในศาสนาที่อิงปัญญาเป็นหลักที่เราก็จะต้องใช้ปัญญาอย่าได้เชื่ออาตมาหรืออย่าได้เชื่อใครๆหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพพเจ้าอาตมากล้าพูดอย่างนี้ก็พูดตามที่พระพุทธเจ้าอันตรับ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 สิ่งที่เรียกว่าตัวเราซึ่งเป็นมายานั่นก็ไม่มีก็เหลืออยู่แต่จิตนั <c> ่น <oughs> จริงเรียกว่าจิตว่างคือว่างจากตัวเรา <c oughs> เมื่อใดเรามีตัวเราขึ้นมามีความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นมาเมื่อ น, นั้นเรียกว่าจิตบวกอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเรา <c oughs> คือมีตัวเรานั้นจิตนั้นไม่ว่างและวุ่นด้วย <c oughs> ในข้อนี้ก็ขอให้จาเพียงสั้นๆไปก่อนว่าที่ว่าว่างนี่ว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกอันเป็นมายาว่าตัวเราว่าของเราในขณะใดเราไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่ไมจะมีความคิดไปในทางไหนเกิดปัญญาอย่างไร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 ตรงทั้งโดยคำพูดคือพยัญชนะและทั้งโดยความหมายคืออัตถะ <c oughs> โดยตัวหนังสือก็ตรงตามเรื่องโดยความหมายก็ตรงตามเรื่องเพราะฉะนั้นจริงไดเรียกว่าจิตว่างคือใช้คำคำนี้เรียกจิตชนิดนี้ที่เรื่องถัดไป <c oughs> เรื่องที่มาอของเรื่องความว่างหรือจิตว่างนี่ <c oughs> นี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรน <c oughs> ัตรมาก็ได้เคยบอกกล่าวหลายครั้งหลายหนแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่สนใจ <c oughs> ดังนั้นจึงต้องนำมากล่าวใหม่ <c oughs> คือข้อที่ <c oughs> มีบุคคลเป็นคราวาสกลุ่มหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธองค์และทูลแก่พระพุทธองค์ว่าขอพระองค์จ ง, งแสดงธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคราวาสครองเรือนแออัดอยู่ได้บุตรพรันญาลูกไล่อกระจะของหอมนี <c oughs> ขอจงตรงสแสดงอสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์ตลอดกาลนาน <c oughs> พระพุทธองค์ทรง แสดงว่าทรงสแสดงเรื่องสุญญาตาโดยหัวข้อที่สุปัญแจความว่าเย เ, เตสุตันตาสูตรทั้งหลายเหล่าใดตถาคตะพาสิตาอันเป็นคำที่ตถาคตได้พาสิตธิ์ไว้คำพีราลึกซึ่งคำพีรัชขามีอัดอันลึกซึ่ง โลกุตระา <c oughs> อยู่เหนือโลกสุญญาตับปฏิสังยุตตาป <c oughs> ระกอบอยู่ด้วย h, ความว่าง <c oughs> เนี่ยตามัวบาลีเป็นอย่างนี้ <c oughs> โดยใจความก็คือว่า <c oughs> ให้คาราวาดเหล่านั้นสนใจในคำสอนที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เอง ที่กล่าวถึงเรื่องเหนือโลกหรือสูงไปกว่าโลกอันเป็นเรื่องลึกซึ้งและมีเนื้อความมีอัดอันลึกซึ้งแต่ประกอบเฉพาะอยู่ด้วยเรื่องความว่าง <c oughs> แล้วขยายความออกไปอีกว่าพระองค์ทรงขยายความว่าข้อความที่กล่าว ที่จะกล่าวกันต่อไปในโอกาสหลังวิจิตไพรราะด้วยตัวอักษรยน้นชวนให้ฟังนั่นล้วนแต่ไม่ประกอบด้วยสัญญาตา <c oughs> คือความว่างแต่ว่าคนจะชอบ <c oughs> เรื่องชนิดนั้นกันมากขึ้นทุกทีและเรื่องชนิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะถาคดกล่าว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 ในทางใช้ความคิดเป็นนักตรากหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็ไม่กล่าวเรื่องสัญญาตาว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวกูลนแก่ท่านทั้งหลายตลอดการนานหรือ <c oughs> เรื่องสุญญาตานี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คาราวาสทั้งหลายตลอดการนานนี่ไม่ควรจะเป็นปัญหาอีกแล้วเพราะคำถามกระติถามตรงๆทำสัตว์ของพระพุทธองค์ก็ได้จัดตรงๆ แก่คนที่เป็นขราวา่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะ <c oughs> เข้าใจไปว่าเรื่องสุญญาตานั้นไม่ใช่เรื่องของขราวา่า <c oughs> เป็นเรื่องของนักบวชชั้นสูงหรืออะไรต้องนอง น, นั้นซึ่งเป็นความเข้าใจผิด <c oughs> เรื่องสุญญาตาความว่างนี่เอมีใจความหรือมีเนื้อความมีความหมายกว้าง ใช้ได้แก่คนอทุกขควบทุกระดับแม้ที่เป็นขราวาัตเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบง่ายนิดเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นไม่ดับทุกขนอกจากเรื่องสุญญาตาแล้วไม่เป็นเรื่องดับทุกขและไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระตถาคดกล่าวและไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ชวนให้ขึ้นเหนือโลกแต่เป็นเรื่องที่ชวนให้จมอยู่ในโลกคาราวาตก็จมอยู่ในโลกพอแล้วอันเมื่อคาราวาต้องการอะไรที่ดีก็ควรจะเป็นเรื่องที่ถอนตนขึ้นมาจากการจมอยู่ในโลกเพราะเฮจันนี่เองพระองค์จริงได้ตรัสเรื่องอสุญญาตาแม่แก่คาราวาตว่าเหมาะแม่แก่คาราวาตที่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 ว่างจากความเป็นของของตนหรือของใครเช่นประโยคว่าทำทั้งห้ายทั้งพวงเป็นอนัตตาหรือประโยคว่าทำทั้งห้ายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนนี่คือการแสดงให้ทราบว่าสิ่งทั้งรายทั้งพวงไม่ว่าอะไรหมดเป็นสิ่งที่ไม่ควรไป ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนเพราะมันว่าง น, นั่นเองแม้แต่ตัวความว่าง น, นั่นเองก็ไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของใครหรือของอความว่างเองเป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียนว่าความว่าง น, นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงหรือสภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวงเราควรจะสนใจ จนรู้จักสิ่งทั้งปวงให้ถูกตรงตามที่เป็นจริงเราจึงจะทำอะไรถูกต้องกับสิ่งทั้งปวงถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งปวงผิดเราจะไปจัดไปทำเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงให้ถูกได้อย่างไรวิจความสาคัญของสิ่งทั้งปวงที่พาดพิงถึงมนุษย์พาดพิงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์ <c oughs> ก็คือสภาพที่สิ่งทั้งพวงเป็นของว่างจากตัวตนที่ควรยึดถือควรยึดมั่นถือมั่นหรือควรสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราหรือว่าของเรา <c oughs> พูดให้ชัดลงไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทุกสิ่งไม่ว่าอะไรหมด <c oughs> ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน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 ส <c oughs> ่วนที่ว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของของตนไม่ควรไปทําความสําคัญมั่นหมาย ใ, ในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนแต่แล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องไปกระทําไปจัดไปทําต่อสิ่งนั้นๆโดยเหมาะสมกับที่สิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ว่างจากตัวตนเราจึงชนะเราจึงชนะหมายความว่าเราไม่มีความทุกข์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 ในสังยุตตนิกายคือพระสัพพายปิดดกส่วนที่เป็นสุดตันตนปิดดกและภาคที่เรียกว่าสังยุตตนิกาย <c oughs> มหาวาระวะ <c oughs> นี่ข้อต่อไปที่เราเข้าใจผิดกันจนเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> พุทธบริษัทในประเทศไทยเรา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 จิตนี้มีความรู้สึกเป็นกิเลสเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เป็นพื้นฐานตลอดอทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรีกว่มีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานถ้าเราค่อยไปแกะมันไปเคลียร์มันไปคุ้ยมั น, ไ ป, มนไปเปลืองมันเจี๊ยเล็กเี๊ยน้อยแล้วก็ว่างจากกิเลสนั่นเป็นครั้ ง, ค ร, งครา ว, ราว น, นิดๆหน่อยๆความเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดท่านลองคิดดูท <c oughs> ี่มาบอกว่า จิตของคนเรานี่มีความว่างปราศจากกิเลสอยู่เป็นพื้นฐาน <c oughs> กิเลสนั่นเพิ่งมาเป็นคราวๆเป็นเรื่องเล็กน้อย <c oughs> เป็นคราวๆ <c oughs> นี่เราลองคิดดูว่าอ <c oughs> พิจารณาดูสังเกตดูเราเอาตัวเองเป็นประมาณ <c oughs> ว่าจิตของเราว่างอยู่เป็นพื้นฐานหรือว่าวุ่น ด้วยกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานถ้าเอาพระพุทธภาสิตเป็นหลักมันก็ง่ายนิดเดียวแต่เดียวจะหาว่าเกณฑ์ให้เชื่อบังคับให้เชื่อหรือจะเกิดเป็นตอกม้าอะไรขึ้นมานี่ไม่จำเป็นแต่ว่าผู้พระพุทธพระพุทธภาสิตก็มีอยู่ว่าประพัสระมิทางภิกขเวจิตตังดูกรภิกษุทั้งหลายจิตนีประพัสอน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 คำวาอาคตุกะนั่นก็คือแขกที่มาบ้านเราเป็นคราวคราวไม่ใช่มาอยู่ประจําที่พื้นฐานของจิตคือลักษณะประจํำของจิตนี่เป็นประพัดสรประพัดสรังมีทางาประพัดสรังอีกทางพิภเวจิตตังพิจิตทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนเข้ามาประพัดสรคือใสกระจ่างมีรัศมีรอบตัวไม่มีเศร้าหมองไม่มีกิเลส แล้วเมื่อได้กิเลสจอนเข้ามาเป็นแขลเป็นอาคันตุกะเข้ามาเมื่อนั้นก็เศร้ามาองไปอ่าไปขณะหนึ่ง <c oughs> อย่างนี้จริงหรือไม่น่าเป็นจริงตามพระพุทธภาษีนี้หรือไม่ท่านลองไปเฝ้าตัณห์เกตจิตใจของท่านดูเอง <c oughs> แล้วก็ท่านตัดสิเนเอาเองอาตมาเห็นว่านี่เป็นหลักพื้นฐานอืมที่จะทําให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้หรือไม่ได้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 เนี่ยเพียงแต่หลักพื้นฐานมันก็มีความสำคัญอย่างนี้เสร็จแล้วนั่นเราจะต้องชำระสะสารในความเข้าใจพื้นฐานหรือหลักพื้นฐานอย่างนี้กันเสียก่อนลองคิดดูให้ดีว่าถ้าจิตนี้วุ่นคือเศร้ามองอยู่ในกิเลดเป็นความรักความกรัวความเกลียดความกลวัวความอะไรต่างๆอยู่เป็นประจาเป็นความวุ่นเป็นพื้นฐานแล้ว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 ประพัสสอนหมายความว่ามีรักตมีรอบตัวสาสกระจางอย่างนี้ก็แปลว่าจิตที่ยังไม่ถูกกิเลส เ, เป็นอาคันตุกะเข้ามาครอบงานั่นจิตนั่นเป็นประพัดสอนจิตนั่นสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมายของคำว่าจิตหรือของคำว่ามโนมโนธาตุจิตธาตุวิญญาณธ า, าตุธาตุที่แปลว่าธาตุ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 ถ้ามันมีเป็นความเป็นอิสระเป็นประพัสอนมันมีส่วนที่จะรู้และวิวัฒนาการขึ้นไปตามลำดับจนรู้ถึงที่สุดเพราะนั้นเราจึงมองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นว่าในขณะที่จิตเราว่างโปรง่งแจม่มใสไม่มีกิเลสรบกวนนั่นเป็นจิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ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 มันจิตว่างก็คืออยู่ในปกติเดิมว่างสงบเงียบไม่ทุกมีสติปัญญาเต็มที่พวกที่เขาถือหลักอย่างนี้อย่างนแรงเขาก็พูดเสง่ายๆว่าจิตคือความว่างความว่างคือจิตความว่างคือพุทธะพุทธะคือความว่างเหล่านี้เป็นอันเดียวกันหมดหมายความว่าเมื่อจิตมีความว่างเป็นอารมณ์นี่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 เพราะว่าพวกกรมมีสักกายะจัดคือมีตัวตนจัเพระธนงว่าเป็นตัวตนที่บริสุทธิ์มีความสุขที่สุดพอได้ยินคาว่าจละเสียซึ่งสักกายะทนั้นก็รู้สึกเหมือนจะถูกฆ่าให้ตายคนบางคนพอได้ยินคาว่าจิตว่างด้วยความว่างก็รู้สึกว่าเหมือนจะถูกฆ่าให้ตาย <c oughs> มไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน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 ว่างไม่ได้ <c oughs> นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างเดียอะกับที่กล่าวมาแล้วมาที่ที่กล่าวมาแล้วคือต้องเข้าใจเฉยถูกว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราแบบของเรานั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดกาลท่า <c oughs> นไปคิดดูให้ดีความรู้สึกสําคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่คือกิเลสสิ่งนี้ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา มีความว่างเออจากอุปาทานอยู่มากกว่าที่วุ่นอยู่ในอุปาทานถ้าเราวุ่นอยู่ในปาทานทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรควิกลจริญแต่ตายแล้วอย่างเดียวกันหากแต่ว่าความว่างจากอุปาทานตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่เหมือนกับของพระอาหารหันต์ตรงที่ว่าของพระอาหารหันต์นั้นเป็นการว่างที่ถาวร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 นี่เป็นสิ่งที่ต้องอทำความเข้าใจโดยตรง <c oughs> ที่ที่ว่าเราจะทำงานไปจิตว่างหรือว่าเอาประโยชน์อะไรจากการทำงานไปจิตว่างเราควรจะนึกดูต่อไป <c oughs> ถึงข้อที่ว่าเราทำอะไรในขณะที่จิตวุ่น้มันเป็นอย่างไรเราทำอะไรในขณะที่จิตว่างนี่มันมันแปลกกันอย่างไร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 เป็นความโลภของมันนี่ผิดอย่างยิ่งมันต้องมีข้อแท็จริงกันแต่ก่อนว่าความอยากนั้นอยากด้วยอำนาจของวิ ช, ชาหรืออยากด้วยอำนาจของอวิชาถ้าอยากด้วยอำนาจของอวิชาความอยากนั้นเรียกว่าตัณหาและเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอริยสัจว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์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 อาตมาอยากจะพูดถึงอานิสง์ที่น่านึกสักอีกสักอย่างหนึ่งว่าเราลองนึกดูถึงคำว่าเปรตซึ่งเป็นคำที่น่ากลัว <c oughs> คำว่าเปรตนี่มีความหมายตรงที่ว่ามีความอยากมีความต้องการมากแล้วก็ต้องการได้กิเลสตัณหาแล้วก็ได้สิ่งสนองความอยากทีละนิดทีละนิด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 อาการที่เรียกว่าท้องเท้าภูเขาวปากท้ารูเข็มนั้นจะหายไปช่วยได้มากถึงอย่างนี้แม้สิ่งที่น่ากลัวอื่น ๆ, ๆที่เรียกว่าอบายภูมิเป็นนรกนรกหมายถึงการถูกลงโทษหรือว่าความร้อนอยู่ด้วยความอยากดิรชานหมายความว่าความงูเงา่าเปรตหมายความว่าอยากมากผิวแล้วไม่พออสุรกายหมายถึงความกลัวศัตรูของมนุษย์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 การแต่การพัฒนาทางวัตถุหรือพัฒนาแต่คนนั่นไปไม่รอดต้องพัฒนาจิตใจาการพัฒนาจิตใจนั่นถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงต้องเรียนรู้เรื่องจิตว่างว่าเป็นอย่างไรเสียก่อน <c oughs> เพื่อเขาจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์ <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีตัวกูของกูอยู่ได้มากกว่าที่จะมีตัวกูของกูเนี่ยเขาจะทำงานเพื่องาน อย่างที่เป็นอุดมคติหรือเป็นสม่ำรรมบนั่มของศีลธรรมอศีลธรรมสากลทั่วโลกและแม่ของศาสตรพุทธของพุทธศาสนาทํางานเพื่อ ง, งานนี้ไม่มีตัวกูของกูเข้ามาแทรกแซงมีแต่สติสัมปชัญญะทําไปงานสําเร็จผลงานนั้นให้ไปในเสียเมื่อต้องการก็ได้เมื่อไม่ต้องการก็ได้แต่เพราะความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นและไม่เป็นทุกข์ทั้งในขณะที่ทํางานหรือว่า ทำงานสำเร็จแล้วเนี <c oughs> ่ยเราต้องพัฒนาที่ จ, จิตใจไม่ใช่พัฒนาที่ตัวคนหรือที่วัตถุเหืน <c oughs> พัฒนาตัวคนหรือวัตถุแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับหลับตาอ่ากินพึ่งเนี่ยเป็นภาษาปากต้องนวนปากใต้มันต้องทนมากเกินไปให้พึ่งต่อย <c oughs> หรือว่าต้อง บังคับอย่างทำนองครมเขาวัวให้กินหญ้าคนเขาไม่อยากจะทำโดยสุจริตบังคับกันอย่างไรบังคับกันอย่างไรมันก็ไม่สุจริตได้เพราะว่าไม่ได้พัฒนาจิตใจไปมัวพัฒนาวัตถุและพัฒนาเพียงแค่เปลือกนอกของคนทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศาัยจิตว่างเท่านั้น อาศัยหลักเกณฑ์หรือความรู้เรื่องจิตว่างเทัางนั้นจึงจะตําเร็จประโยชน์ได้ท <c oughs> ่านอายอยากจะกล่าวเป็นจานวนโวหารอีกสักอย่างหนึ่งว่าอจิตว่างเนี่ยหรือความว่างนี่เป็นดนตรีอันไพเราะอยู่ในตัวมันเอง <c oughs> ชีวิตจะมีสภาพเหมือนดนตรีนไพเราะต่อเมื่อเรามีจิตว่างในขณะใดเรามีจิตว่างชีวิตเป็นดนตรีมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสัตไ์ใด <c oughs> พอมีจิตวุ่นชีวิตนี้ก็หมดความเป็นดนตรีคือมีแต่ความมืดมัวเศ้ามองเล่าร้อนไม่สงบสะอาดสว่างเยือเกเยน็นเหมือนมีพระไม่ไม่ไพเราะเหมือนกับดนตรีจิต <c oughs> ที่เป็นประพัสอนจิตที่เป็นประัดสอนไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นดนตรีอยู่ในตัวมันเองคือให้ความชุ่มชื่นไพเราะ อ, อยู่ในตัวมันเอง เราเรียกว่าเป็นดนตรีทางวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกไม่ใช่ดนตรีติสีจีเป่าย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่ความหมายมันอย่างเดียวกันคือความไพเราะเรือที่จะกล่าวได้นันดนตรีที่แท้ก็คือความไพเราะความสวยงามความเยือกเย็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งได้รับ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 นั่นแต่มีทำนองเป็นไปในทางช่วยตะล่อมกลองเกล่าให้จิตว่างแต่ลูกหลานอุตจติสร้างดนจีเตดนจีชนิดทำให้จิตวุ่นแล้วไปนิยมยคนต่างประเทศที่เขาไม่ระสีภาษาในเรื่องนี้เลิดเปิดเปิงในทางความวุ่นนั่นน่ะเอามาเป็นครู <c oughs> แ, แม้แต่ละครแม้แต่ ละครเราก็ยังเคยได้ยินได้ฟังว่าการใช้ผู้ชายด้วนๆแสดงละครอย่างนี้เหมือนสมัยเชกสเปียร์ในประเทศอังกฤษละครชายผู้ชายด้วนอย่างนี้มันน่าเอ็นดูมันตล่อมให้เกิดความรู้สติปัญญาไม่ทำให้จิตวุน่นส่งเสริมไปในทางจิตว่างนี่กี่เล่ของคน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 ไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าเราเอียงน้อมมาในทางที่จะมีจิตวุ่นมันก็ต้องได้วุ่นโดยแน่นอนในที่สุดเราจะพิจารณากันถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งนั้นก็คือริบหรือกําลังในการทําการงานพลังของจิตที่มาจากจิตว่างนั่นเป็นพลังอย่างพลังของจิตที่มาจากจิตวุ่น นั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่าไปได้เข้าใจว่าพลังของจิตพลังของจิตแล้วมันจะเหมือนกันพลังของจิตที่มาจากจิตที่เป็นประพัดสอนนั่นอย่างหนึ่งพลังของจิตที่มาจากจิตที่เศร้าหมองแล้วนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพลังที่มาจากจิตที่ว่างก็คือพลังของธรรมะพลังที่แบ่งมาจากธรรมแบ่งมาจากพระพุทธเจ้า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 ทำงานได้ดีกว่าและสนุกกว่าส่วนพลังที่มาจากจิตวุ่นนั่นตรงกันข้ามทีนี่ถ้าเราจะพูดสิ่งที่เรียกว่าพลังนี่เรียกสิ่งนี้ว่าฤทธิด์ดูให้มันขลังให้มันมากขึ้นไปสักหน่อยเราก็ยังจะต้องพูดว่าฤทธิ์นั้นต้องแสดงด้วยจิตว่างไม่ใช่แสดงด้วยจิตวุ่น ฤทธ์นั่นต้องแสดงด้วยจิตว่างไม่ใช่แสดงด้วยจิตวุ่นถ้าแสดงด้วยจิตวุ่น <c oughs> ก็เป็นเพียงความมุทะลุของผู้ศีปีศาจอะใรชนิดหนึ่งไม่ใช่ฤทธ์แต่ถ้าเป็นฤทธ์ที่จะสาเร็จในประโยชน์ของฤทธ์ต้องแสดงด้วยจิตว่างพระอารหันต์แสดงฤทธ์ได้ไม่มีใครเหมือนก็แสดงด้วยจิตว่างแสดงได้ดีกว่าสูงกว่าที่นี้บุทุชน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 ต้องบริกรรมต้องกระทำพิธีตามเรื่องของการรวบรวมกำลังจิตซึ่งเป็นจิตว่างแล้วจึงจะแสดงฤทธิ์ได้แล้วจึงจะลูบตัวให้หายกระดูกหักหายอะไรต่างๆแล้วก็ลุกขึ้นรบได้ต่อไปอามาจึงยืนยันว่าแม้แต่ฤทธิ์ก็ต้องแสดงด้วยจิตว่างฤทธิ์ของพระอระหันต์ไม่ต้องพูดถึงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ฤทธิ์ของยักษ์ของมารนี่ก็ยังต้องแสดงด้วยจิตว่าง เพราะนั้นว่าไม่มีอะไรที่จะไม่ทำโดยจิตว่างถ้าเราต้องการประโยชน์มันแท้จริงประกอบไปไปทำสมควรแก่มนุษย์ที่มีปัญญาเอาตัวรอดได้ <c oughs> เนี่ยคือข้อปลีกย่อย เ, ออเกี่ยวกับเรื่องของความว่างทุกแง่ทุกมุมที่จะทำความเข้าใจกันสใหม่ในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา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 แม้จำเป็นจะต้องด่าใครสักคำถ้าจำเป็นมีสติปัญญาที่ถูกต้องก็จง ด, าด่าโดยจิตว่างยาทำไปด้วยจิตที่วุ่นประกอบไปด้วยกิเลสดังที่กล่าวแล้วนี่ยังคงยืนยันอยู่อย่างนี้ตามเดิมว่าเรื่องจิตว่างเป็นอย่างนี้เป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้สำหรับคนที่วุ่นสำหรับคนที่ร้อนขอให้สนใจกันในรูปนี้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 ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านมันใช่เรื่องของชาวโลกนี้มันผิดเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผิดอย่างไรโดยที่แท้นั้นจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันเสมอจะผิดกันบ้างก็แต่เพียงปริมาณจะผิดกันบ้างก็แต่เพียงระดับหลักธรรมอันใดที่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปนิพพานเพื่ออยู่เหนือโลกหลักธรรมอันนั้น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 มันก็ต้องเป็นพระรัตนตรัยเดียวกันนั่นแหละขอแต่ให้ถูกให้ตรงให้จริงแท่นั้นพระรัตนาตรัยสำหรับชาวบ้านก็อย่างนั้นพระัตนตรัตยสำหรับภิกษุอยู่ป่าก็อย่างนั้นพระรัตนตรัยสำหรับพระอริยเจ้าในขั้นต้นๆก็อย่างนั้นทําไมจะต้องไปแยก <c oughs> อิทธิบาทสีซึ่งรู้กันรู้จักกันดีว่าเป็นธรรมะสําหรับทําความสาเร็จทีนี้อิทธิบาทสีนี่ ชาวบ้านต้องใช้และท่านก็รู้กันอยู่แล้วและยอมรับกันอยู่แล้วว่าชาวบ้านนี่ใช้อิธิบาตสีได้ในการทำหน้าที่การงานให้สาเร็จและอิธิบาตสีนั้นมันก็อย่างเดียวกันที่จะใช้ปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน <c oughs> อิธิบาเพื่อไปนิพพานมีความหมายอย่างไรมีอะไรอย่างไรมันก็ยังคงเอามาใช้กันกันกบชาวบ้าน หรื อ, อกิจการของชาวบ้านได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสี่อย่างนี้หาแต่ว่ามันจะมีปริมาณมากน้อยกว่ากันหรือคนะระดับแต่เนื้อแท้เหมือนกันลองอ่านถึงลักษณะของอิทธิบาทที่เป็นในขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาท ประกอบพร้อมโดยทำเครื่องกรุงมีสมาธิอันสัมปยุตด้วยชันทะเป็นประธานด้วยวิิยาเป็นประธานด้วยจิตตะเป็นประธานด้วยวิมังสาเป็นประธานแยกไปทีละข้ออย่างนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้ชันทะของเราจักมีความพดเหียวจักไม่มีความหยุดนิ่งจักไม่มีความหยุดอยู่ในภายในจักไม่มีความฟุ้งออกไปภายนอกจักไม่มี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 เธ อ, อย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรผัวพันุ์ให้เจริญอยู่ในอาการอย่างนี้นี่เรียกบรรยายคุณสมบัติของอิทธิบาทขั้นสูงสุดที่สุดแล้วที่จะบำเพ็ญในขณะที่จะบรรลุมรรคผลแต่แล้วท่านลองพิจารณาดูว่าทุกๆุกประโยคหรือทุกวัน ล, ลีเนี่ยมีความหมายเหมือนกับที่จะเอามาใชา้กับเรื่องของขราว่าเขาต้องบำเพ็ญอิทธิบาทในลักษณะที่เป็นสมาธิ มีความรู้สึกที่เป็นฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะเป็นต้นนั่นเป็นประธานของสมาธินั้นจนว่าความหดเหี่ยวทอดแท้ก็ไม่มีความหยุดนิ่งก็ไม่มีความหยุดอยู่ในภายในจะยบอยู่ในภายในก็ไม่มีความพุ่งซ่านไปภายนอกก็ไม่มีแต่ก่อนอย่างไรเดียวนี่อย่างนั้นก็หมายความว่าความสม่ำเสมอเราไม่ให้เป็นบุคคลที่ว่าที่แล้วมาอ่อนแอที่แล้วมากล้าหาญที่ ที่หลังอ่อนไอตรงนี้ไม่มีที่ว่าก่อนก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างก็ฉันนั้นกลางวันอย่างไรกลางคืนก็ฉันนั้นไหมเขาเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับความมีทิบาทมีจิต <c oughs> ที่อมีแสงสว่างมีจิตที่เปิดแล้วคือไม่มีกิเลสมาปิด <c oughs> ไม่มีอะไรขั้วพัน นี่แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่สูงถึงขนาดว่ามีจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรพัวพันก็ยังมาใช้ได้กับว่าเมื่อเราทําการงานทําร่ทราํานา น, นี่เราก็ต้องมีจิตอย่างนี้ท่านท่านจงเชื่อตามที่ท่านมองเห็นอยู่บ้างแล้วว่าธรรมะท่านสูงที่ไปนิพพานเช่นอิสิบาสสี่นี่ก็มาใช้เป็นเรื่องของชาวบ้านได้ที่ธรรมะเช่นมักมีองแปดมักมีองแปดขากความถูกต้องแปดประการนั้น แม้แต่คนเพิ่งจะเริ่มศึกษาก็รู้ได้วันนี้ชาวบ้านปฏิบัติได้ทั้งทั้งที่มัชชิมาปฏิปทานี้พระพุทธองค์จัดไว้ในฐานะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี่แสดงว่าข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยตรงนั้นอ่ะใช้กับชาวบ้านชั้นตน้นชั้นต่ำที่สุดก็ได้ฉันมักมีองศาด <c oughs> ีเรื่องที่สูงสุดเช่นเรื่องสุญญาตาพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่คาราวาตกลุ่มนั้น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 ซึ่งหลีกไม่พน้นจะต้องเป็นหมวดธรรมสำหรับปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั่นแหละมาเป็นหลักวางไหวสําหรับการปฏิบัติของคาราวาที่จะทํามาหากินที่จะต้องทํางานด้วยจิตว่างดังที่กล่าวแล้วจึงพูดเป็นหัวข้อว่าเมื่อต้องการจะทํางานด้วยจิตว่างก็จงใช้หลักของโพชงเจ็ดประการเป็นหลักปฏิบัติในการที่จะทํางานด้วยจิตว่าง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 ที่จะทําสิ่งต่างๆให้สำเร็จเป็นมั่งเป็นผลในทุกชนิดและทุกกรณีทุกชนิดและทุกกรณีนี่หมายความว่าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งอย่างต่ำทั้งอย่างสูงเราถอดเอาใจความมาใช้ให้เหมาะสมแก่เรื่องอย่างที่เรียกว่าประยุกให้ถูกกันกับระดับเ่านั่นเองท <c oughs> ี่เราจะดูตัวสิ่งที่เรียกว่าโพชฌงไปตามลาดับ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 ที่ถัดไปก็คือวิริยะสำโภตจงไมายความาหลังจากนั้นก็ใช้ความกล้าหาญความเข้มแข็งความอดทนความผากเพียรความบากบันกระทาสิ่งนั้นคือสิ่งที่เลือกแล้วนั้นในความควบคุมของสติสัมปชัญญะและธรรมวิจัยที่กล่าวมาแล้วที่ข้อที่สองไม่มีทางที่จะจิตวุ่นวายขึ้นมาได้เพราะอานาจสิ่งนี้ ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สี่ที่เรียกว่าปีตีสมโพชงจะต้องมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทำหล่อเลี้ยงความภาคเพียร น, นั่นไว้เสมอมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทำที่ทำงานเพื่องานทำไมประกอบประวิธรรมนี่อยู่เสมออย่าให้เป็นกำลังสำหรับหล่อเลี้ยง ความภาคเปลี่ยนอยู่เสมออย่าได้ไปอาศัยกำลังแห่งตัวกูของกูคือเรื่องของจิตวุ่นลึอกอิเลดนั้นเป็นอันขาดอย่าไปเอากำลังของตัวกูของกูที่ทุงมล่านด้วยความกระหายความใจเยอนใจยานอะไรงนั้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอันขาดจะให้หล่อเลี้ยงว่าในความพอใจที่เป็นธรรมความอิ่มใจที่เป็นธรรมความสนุกสนานที่เป็นธรรมที่เกิดจากการกระทำนั้นๆมาหล่อเลี้ยงไว้เสมอ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 <c oughs> ไม่มีการถอยกลับเพราะความที่มันลงรูปเป็นอันดีที่นี้พุทชงข้อที่หกก็คือสมาธิสำพุทธชงนี่ถึงระยะการที่จะตัองทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดทั้งปวงลงไปในงานนั่นคือในการกระทำนั่นเป็นสมาธิ أ, ที่เข้ม أ, ท, ท, ท, ท, ที่เต็มเปี่ยมที่มีกำลังกล้าแข็งมีคุณสมบัติสามประการคือว่า บริสุทธิ์เรยกว่าริสุทธิโทนี่บริสุทธิ์ไม่มีความรู้สึกสงสัยระแวงลังเลรังเกียจอนีแล้วก็สมาฮิโตคือความมั่นคงไม่วอกแวกมีพลังที่แท้จริงคือพลังจา ก, กจิตว่างเป็นเครื่องสร้างความมั่นคง <c oughs> แล้วก็มีกรมมณิโยคืออ่อนโยนนิ่มนวลควรแกการงานไปทั้งหมดนี่ที่เรียกว่าแอคทีฟที่สุด นี่คือความหมายของคำว่าสมาธิสัมโพชง <c oughs> อันสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงอันนี้แปลว่า เ, เฉยก็จริงแต่มีความหมายพิเศษคือปล่อยให้สิ่งที่ลงรูปได้ที่แล้วทุ่งเทสมาธิเต็มที่แล้วนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันคือปล่อยให้สิ่งที่ได้ที่ได้ที่ดีแล้วนั่น แล่นชิวไปตามกฎเกณฑ์ของมันอาการของคุณนั้นมีอาการเหมือนกับเฉยมันเหมือนกับว่าเราจอดเตียมรถของเราหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถของเราได้ที่แล้วก็ขับเฉยเพียงแต่ถือพ่วงอะไรเฉย <c oughs> รถก็แล่นเฉยชิวไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุด <c oughs> ใจความสาคัญอยู่ตรงที่รอได้คอยได้ด้วยความสงบจนกว่าจะถึงที่สุด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 งคนหนุมคนสาวที่จะตั้งตัวตั้งตนได้อย่างไรเขามีพจนจงที่หนึ่งคือความรลึกรอบคอบไปทุกสิ่งทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเขามีโพจนงข้อที่สองคือเลือกเอาด้วยสติปัญญาที่เหมาะแก่อุปนิสัยเป็นต้นของเขาแล้วเขาเป็นคนจริงระดมทุ่มเทกำลังความภาคเพียรอะไรลงไปจริงๆแล้วเขาฉลาดที่จะรักษา กำลังของความเพียร น, นี้ไว้ได้ด้วยสร้างความพอใจหรือปีติที่เป็นรำหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยความภากเพียรก็มีแต่จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นแล้วเขาก็จัดให้มันลงรูปเพราะว่าถึงระยะที่จะต้องจัดให้มันเข้ารูปลงรูปด้วยความเฉลียวฉลาดให้ทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันพ่าทำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนี่ให้เข้ารูปหรือลงรูปเป็นธรรมะสมังคี คือทำทั้งหลายข้าวรูปลงรูปกันนี่ก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำน้มันข้าวรูปลงรูปกันถ้าเขาจึงระดมทุ่มเทกำลังหรือพลังทางจิตลงไปทั้งหมดเป็นถึงที่สุดถ้าเขาก็อพดพ้นอยู่ด้วยความสงบส ง, งียมจนกว่าจะถึงหนาที่ที่เกิดผลโดยสมบูรณ์นี่หลักขั้งโคจงเป็นอย่างนี้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 ด้วยเด็กๆจะตั้งต้นเรียนหนังสือตั้งตัวก็พยายามชี้แจงให้เขารู้จักใช้หลักเกณฑ์เจ็ดประการนี้ <c oughs> ทีนี้คนที่จะปฏิบัติธรรมมพิปัสจนากรรมฐานไเพื่อบรรลุมรขผลก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เจ็ดประการนี้ที่แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังพอประทัยของท่านจนเมื่อท่านเจ็บป่วยประชวรขึ้นมายังต้อง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 เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อจิตว่างเมื่อนั้นสมบูรณ์อยู่ในสติสัมปชัญญะเป็นตน้นสมบูรณ์อยู่ในด้วยปัญญาเป็นตน้นและเป็นสมาธิอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองคือในจิตว่างนั้นท่นนี้นี่เรามาทําให้เป็นอระบบที่ดีที่รัดกุมให้ศหลักวิชาให้เห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องอา ศ, าศาาัยสัทธางมงายอา ศ, า ศ, าศาัยปัญญาตามแบบของพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วก็จงใช้ใ ห, หลักธรรมะเหล่านี้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 แม่กับการทำการงานของคนที่อยู่ในโลกเพราะว่าคนที่อยู่ในโลก ก, ก็คือคนที่ต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกเพราะว่าถ้าไม่ต้องการข้ามขึ้นจากโลกก็คือจมอยู่ในกองทุกข์เ <IS C> มื่อต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกก็คือมุ่งหมายโลกุตตระรั้นหลักของโลกรร <IS C> ุ<ค>ตตระจึงเป็นหลักสาหรับความดับทุกข์ดับทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ในทุกกรณี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 สามารถทำงานด้วยจิตว่างมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้นว่าตมาได้กล่าวสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวทั้งสามขั้นสามตอนจบไปแล้วโดยบริบูรณ์ในวันนี้ <c oughs> จึงหวังอยู่ว่าท่านทั้งหลายที่หวังจะได้ประโยชน์จากการบรรยายนี้จะได้นำไปพินิษ์พิจารณาดู <c oughs> โดยไม่ต้องเชื่ออาตมาแม้แต่ประการใด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 เ <c oughs> พียงเท่านี้